พระสุทินเกิดความเดือดร้อนใจ37ต่อมาพระสุทินเกิดความกุ่มใจเดือดร้อนใจว่าไม่ชลาบของเราหนอเราไม่มีลาบหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอถึงจะเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วก็ยังไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเพราะความกุ่มใจเดือดร้อนใจนั้นท่านจึงสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลือง เส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งมีเรื่องในใจใจหดหูเป็นทุกข์เสียใจเดือดร้อนใจเศาซึม38มฝ่ายภิกษุผู้เป็นเพื่อนของพระสุทินกล่าวกับพระสุทินว่าท่านสุทินเมื่อก่อนท่านมีผิวพรรณเปล่งปลั่งกระชุ่มกระชวยหน้าตาสดใสมีน้ำมีนวลแต่บัด น, นี้ดูท่านสู้ผอมมองคล้ำสีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งมีเรื่องในใจใจหดหูเป็นทุกข์เสียใจเดือดร้อนใจ เศร้าซึซมท่านไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์กระมังพระสุทินตอบว่าท่านทั้งหลายความจริงไม่ใช่กระผมจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์กระผมมีบาปการรมที่ทำไว้คือได้เสพเมทุนธรรมกับอดีตภรยากระผมจึงเกิดความกลุ้มใจเดือดร้อนใจว่าไม่ใช่ลาบของเราหนอเราไม่มีลาบหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีหนอถึงจะเข้ามาบวชในพระธรรมวินัย ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วก็ยังไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตภิกษุเป็นเพื่อนกล่าวว่าภิกษุผู้เป็นเพื่อนกล่าวว่าจริงทีเดียวท่านสุทินการที่ท่านเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วแต่ไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิต<ม>ก็พอที่จะทําให้กลุ่มใจเดือดร้อนใจได้ พระผ desse, quality, media, Cola, beauty, planner, ู ible, ้มีพระภาคทรงแสดงทำไว้โดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดมิใช่เพื่อความกำหนัดเพื่อความร่าดมิใช่เพื่อความประกอบไว้เพื่อความไม่ถือมั่นมิใช่เพื่อความถือมั่นมิใช่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงทำเพื่อคลายความกำหนัดท่านก็ยังจะคิดเพื่อความกำหนัดทรงแสดงทำเพื่อความร่ากท่านก็ยังจะคิดเพื่อความประกอบไว้ทรงแสดงทำเพื่อความไม่ถือมั่นท่านก็ยังคิดเพื่อความถือมั่น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อสํารอ c ราคะเพื่อสั่งความเมาเพื่อดับความกระหายเพื่อถอนความอาลัยเพื่อตัดวัฏะเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อคลายความกําหนัดเพื่อดับทุกข์เพื่อนิพพานไม่ใช่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสบอกการละกามการกําหนดรู้ความสําคัญในการการกําจัดความกระหายในกามการเพิกถอนความตรึกในกามการระงับความกัดกุ้ม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 นำหนีพระสุตินโดยประการต่างๆแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงสราง